จิตดีขึ้นนะว่าจิตช่วงนี้จิตดีขึ้นจิตดีไม่ใช่แค่สงบไม่ใช่ว่าพิสดาจดนจิตดีคือจิตที่มันไม่ดิ้นมันไม่ค่อยดิ้นรนจิตมันดิ้นรนามันอยากอยากโน้อนอยากนี้ไปเดย ในจิต ท, ที่มันไม่ดิน้นมันสงบสุขอยู่ในตัวเองอย่าง น, นถือว่ามันจเจริญขึ้นพอเราเห็นความจริงของรูปนามของโลกอะไรเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นจิตมันจะหยุดการดิน้นเพราะาไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจไม่เห็นความจริงของโลกจิตมันก็จะดิ้นไม่เลิก รู้สึกไมมโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเนี่ยใจมันเห็นความจริงตรงนี้พอมันเห็นโลกว่างเปล่าโลกไม่มีแก่นสารสาระมันหยุดดิน้นไม่รู้จะดิ้นทํำอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เอาทั้งบางทีเราเห็นของข้างนอกเนี่ยมันก็สะท้อนกลับเข้ามาทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเหมือนฝันฝันเหมือนว่างเปล่าใจที่เห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นใจที่เติบโตเติบโตในธรรมะใจมีพลังนะของสมาธิของปัญญาเกิดขึ้นมันมาจากปัญญาเห็นความจริง ใจก็หมดการดิ้นรนงั้นมีแต่ปัญญาเท่านั้นที่ทำให้ใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้พ้นอำนาจตัณหาได้บางคนภาวนาแล้วตัณหาเยอะอยากได้ผลนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องเรียนรู้ความจริงให้มากๆต่อไปอีกบางคนก็เรียนนานเรียนกันหลายชาติ กว่าใจจะรู้ความจริงว่าโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารสาระอะไรใจเห็นความจริงแล้วใจก็หยุดการดิ้นรนมันเงียบเงียบมันเงียบเหมืบมันสงบสุขโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่เหมือนสมาธิสมาธิเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข พอจิตหลุดจากอารมณ์ันั้นมันก็หลงโลกต่อแต่การที่เราเจริญปัญญาเราเห็นความจริงทั้งความจริงภายในความจริงภายนอกดูได้ทั้งสองด้านความจริงธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะในที่ใกล้ธรรมะในที่ไกลที่ใกล้ก็คือในนี้ที่ไกลก็อยู่ข้างนอกธรรมะที่หยาบส่วนของรู ป, ปรธรรมธรรมะที่ละเอียด ส่วนของนามมาทำทั้งหมดนั้นสอนไตรลักษณ์เหมือนๆกันนี่คนส่วนใหญ่นยครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้ดูตัวเองมันไปได้ง่ายกว่าไปดูโลกข้างนอกแทนที่จะเห็นว่าโลกว่างเปล่านะมันจะเห็นในโลกนี้สีเขียวสีแดงสวยสวยงามงามหลงง่าย แต่ถ้าเวลาชีวิตเรามีปัญหาเยอะๆเราจะเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าชื่นชมไม่น่าพิรม m เห็นละใจมันก็ทีแรกใจมันไม่ยอมใจมันจะหดหูห่อเหี่ยวหดหูหหหหตัวห่อทั้งนั้นะใจมันยอมใจมันจะหยุดกันดิ้นมันจะยอมต่อเมื่อมันดิ้นเต็มที่แล้วแล้วไม่สำเร็จ นะการที่เราใจผ่าใจให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจของตัวเองหรือกระทั่งเห็นรูปนามภายนอกให้เห็นความไม่มีสาระแก่นสารอย่างนี้นก็ไปได้ใจมันจะเปลี่ยนใจหมดความหิวโหวยหมดความดิ้นรนมีความสงบสุขนะ แล้วใจมันค่อยคลายออกจากโลกรู้สึกไหมว่าวันนี้กับเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆตอนเรารุ่นๆเนี่ยนะความรู้สึกไม่เหมือนกันนี่มันคือความเติบโตของจิตวิญญาณนะเมื่อจิตวิญญาณนี้เติบโตขึ้นแล้วมันมาด้วยปัญญาเนมันมักไม่ถอยกลับถ้า เป็นอย่างชาวโลกทั่วไปไม่ได้ภาวนาช่วงไหนชีวิตมีปัญหามากใจมันก็หมดแรงดิ้นไปช่วงไหนปัญหาลดลงมันก็ดิ้นใหม่แต่ถ้ามันผ่านมาด้วยการเห็นด้วยการเจริญปัญญาเนี่ยมันยั่งยืนกว่าแล้วตัวนี้ข้ามพบข้ามชาติได้ที่ตัวปัญญา เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อวันหนึ่งเราจะได้ปัญญามานี่แหละพอได้ปัญญาก็คือได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจใของโลกใจก็คลายออกจากโลกในใคลายออกจากโลกเรียกว่าอยู่เหนือโลกคือโล ก, กุตตะละ แต่ว่าคนที่ได้โลคุตละไม่ใช่จิตใจหดหูนะจิตใจสงบสุขนะฮะพวกจิตใจหดหูนี่ยังเป็นโทสะอยู่แยกออกใช่ไหมจิตมันเดินปัญญาเนี่ยมันเห็นความจริงแนละ้วเห็นความไร้สาระนะจิตไม่หดหูแต่จิตยอมรับความจริงแนละ้วจิตสงบสันติไม่ดิน้น เมื่อจิตไม่ดิ้นเนี่ยถึงจุดที่ศีลสมาธิปัญญามันสมดุลมันพออริยามรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้มันเกิดเองแต่ถ้าเราหวังว่ามันจะเกิดมันจะมีการดิ้นหวังว่าเนี่ยพอวนะอีกนิดหนึ่งก็จะได้มรกผลลันจะดิ้นงันจะหลุดออกไปจากมรรคเรียนรู้ลงไปนะความทุกข์เนี่ยเหมือนสิ่งเลวร้าย ที่จริงแล้วความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดเลยมันทำให้ใจเราหยุดได้แต่เราจะหยุดได้ต่อเมื่อเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคนในโลกนี้ประสบความทุกข์ก็ไม่หยุด่าดินไม่เลิกดิ้นจนดิ้นไม่ไหวนะก็โทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นโทษดินฟ้าอากาศโทษเทวดาโทษพรหมลิขิต โทษผีอะเงี้ยของเราหยุดที่เพราะปัญญาไม่เหมือนกันแยกออกใช่ไหมดีนั่นคือความเติบโตเราไม่ได้เห็นโลกในแง่หน้าท้อแท้หดหู่แต่เราเห็นโลกตามที่โลกมันเป็นในโลกนี้หาสาราแก่นสารไม่ได้นี่คือความจริงไม่ใช่มองโลก ในแง่ร้ายมองโลกอย่างหดหูเรามองโลกตามความเป็นจริงโลกเป็นอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจใจมันจะหลุดในส่วนมันก็เข้าสู่โลกุตตะละเหนือโลกไปฝึกเอาดูไปเรืยความทุกข์ไม่ใช่ของนาเกลียดปัญหาในชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติหมดปัญหานี้ก็มีปัญหานั้น ตอนเรายังปัญญาไม่แก่กล้าเราก็จะดิ้นเกิดปัญหาขึ้นเราก็ดิ้นเพื่อจะแก้ปัญหานี้หวังว่าวันหนึ่งชีวิตจะอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาแล้ววันนั้นไม่มีวันถึงไม่มีวันมาถึงนะหลวงพ่อตัานแต่เด็กๆเราก็พยายามทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำดีเรียนหนังสือทำอะไรตอไ่ออะไรที่ดีๆหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตจะไม่มีปัญหา แล้วเราจะได้มีเวลาภาวนาเนี่ยความโง่ที่จริงในสภาวะที่ชีวิตมีปัญหานี่เราเรียนรู้จิตใจตัวเองไปแล้วเราจะเห็นในที่สุดโลกนี้ว่างเปล่าปัญหาก็ส่วนของปัญหาจิตไม่กระเพื่อ ม, มันรไ ว, ว้เพราะจิตมีปัญญารู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างนี้เหมือนฝันเท่านั้น สงเกตไหมคำ ว, ว่านิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่กระเทือนใจเท่าคำว่าโลกนี่เหมือนความฝันดูออกใ่ไหมงั้นอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านจแจกแจงเยอะเพราะแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับธรรมะที่แตกต่างกันเห็นไปเรื่อยนะว่าโลกนี่เหมือนความฝันดูไปเรื่อยเหมือนภาพลงตาดูอย่างนี้ใจม่เยอะหมดการดิ้น บุญบารมีทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายมีโอกาสาาทำก็ทำแต่ไม่ใช่ทำเพราะว่าหวังว่ามันจะช่วยเราให้ได้ดีอย่างนูนอย่างนี้ได้ชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเป็นของดีนะความทุกข์เป็นของดีหลวงพ่อเองเคยภาวนาตั้งแต่เด็กมาช่วงที่ทำงานรับราชการนะ เครียดมากเลยเครียดกับเจ้านายนายผู้หญิงโสดอมตะเนียโอ้เครียดลูกน้องเนี่ยเครียดหมดทั้งห้องเลยได้ยินเสียงรองเท้าแกขยับมาจะกอีกห้องหนึ่งได้ยินเสียงรองเทา้าแป๊กเดียวนะพวกเชิงนี้จิตรวบพมันเป็นหนึ่งเกิดเอกคตารอบต่อไปนี้คนไหนจะถูกกัดเนี้ย ช่วงอย่างนั้นนะหลวงพ่อภาวนาดีมากดูดูดูดู ด, ด, ด, ดูทั้งวันดูทั้งคืนพอมาย้ายงานงานดีนายดีเงินดีดีหมดเลยอนะไรอะไรก็ดีหมดภาวนาย่าอหย่อนภาวนายาอหย่อนไปเลย งันเวลาที่ชีวิตมีปัญหาเวลาชีชวิตมีความทุกข์เป็นเวลาสําคัญนาทีทองของการปฏิบัติเวลาที่มีความสุขความสบายมัจะเพลอเพลินบางคนนะแค่มีแมวให้เล่นนะก็เพลินแล้วนะเล่นแมวเล่นได้ทั้งวันเพลินเขียนเฟซบุ๊กบรรยายวันนี้แมวอื้อแล้วอะไรอยนี้ก็ขเข้าาเขียนนะ น่าสงสารชีวิตทำไมชีวิตมันคุณค่ามันน้อยจังถ้าบอกมาว่า น, นี่เห็นกิเลสแล้วนะถ้าเห็นจริงๆนะโอ้ดีถ้าแกล้งบอกวันนี้เห็นแต่กิเลสเราเป็นคนเลวแล้วเกินอย่านิ้แกล้งทาแกล้งพูดไม่ใช่ของจริงก็ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ต้องดูของจริงๆ เมื่อผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้คนธรรมดานี่แหละทำได้ขอให้เป็นคนธรรมดาจริงๆอย่าเป็นคนผิดธรรมดาเพราะตัณหามันพาไปกลับมาเป็นคนธรรมดานะเห็นโลกเห็นธรรมดาของโลกเห็นธรรมดาของกายเห็นธรรมดาของใจในที่สุดเราเป็นคนธรรมดา ใจเข้าถึงธรรมะธรรมดาธรรมดาที่สุดใจของคนทั่วไปไม่ธรรมดามันตกเป็นธาตุกิเลสมีความหิวโหยเกิดขึ้นตลอดเวลาหิวอารมณ์นั่นแหละหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวพธทพะสิ่งที่สัมผัสกายหิวธรรมารม หิวเราก็ต้องดิ้นใช่ไมหมเวลาหิวแล้วสงบสันติไหมไม่ใจจะดิ้นตัวที่ทำให้ใจดิ้นก็คือตัวหิวตันหานี่ตัตันห า, นนหาที่แรกเราก็ดิ้นดิ้นไปเรื่อยนะแล้วเราก็พบว่ามันว่างเปล่าเหน็ดเหนื่อยแทบตายสุดท้ายก็ว่างเปล่าบางคนกว่าจะเห็นตรง น, นี้นานนะ ในจุดที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถือยอมงั้นอย่างครวญเนี่ยบางคนเป็นพระละหันแล้วก็ตายในวันนั้นเลยที่จริงก็คือใกล้จะตายแล้วนะถึงยอมถึงยอมวางงั้นเราไม่ต้องกลัวนะวางได้ก็วางไปเลยแต่ถ้าอยากวางมันไม่วางใจมันจะดิน้นใจเห็นความจริงใจไม่ดิน้น ใจไม่ดิ้นรนไม่แสแบงหาก็เข้าสู่สภาวะที่พ้นความดิ้นรนเรียกว่าวิราคะไม่หิวไม่ยหยวโหยเป็นวิราคะไม่ดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารปล่อยวางไม่ยึดถือเป็นวิมุตตหลุดออกจากอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่เป็นวิมุตต์วิราคะ มีสังขารวิมุตตเป็นอันเดียวกันคือ น, นิพพานคือสิ่งเดียวกันมีหลายชื่อนิพพานมีชื่อหลายชื่อของเราเคยเห็นมีราคาไหมเคยเห็นแต่ราคาอยากทั้งวันดวอกไหมอยากอยากอยากอยากกระทั่งอยากบรรลุมรรคผลมันเลยไม่บรรลุสักที แล้วใจดิ้นรนพยายามปรุงดีทำใจให้ดีตลอดเวลาอันนั้นคือสังขารคือความปรุงวิสังขารความไม่ปรุงไม่ปรุงเพราะปัญญานะมีปัญญาแล้วหยุดปรุงหยุดดิ้นหยุดหิวอะไรก็ได้ถึงจุดหนึ่งอะไรก็ได้อาต่อไปชินกลับบ้านช้าคทีก็ดีนะเอาไหม จะได้มีเวลาภาวนาเยอะๆว่าไงลงมติใครเห็นสมควรเลิกแล้วยกมือสิเอางี้ใครเห็นว่าสมควรเลิกแล้วไม่ต้องยกเห็นไ้ยเสียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อยากอยากเลิกแล้วมีคนมาชู ป, ป้ายแล้วประท้วงาพวกอยู่วัดส่งเงินบ้านก่อน การปะทวงนี้ประสบความสำเร็จรัชาการหลวงพ่อค่ะก็เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะเป็นเต้นค่ะอยู่ๆก็ได้ส่งการบ้านครั้งแรกก็ผ่านแล้วสอบได้รู้ตัวไหมดูบ้างเป็นบางครั้งค่ะดูไปนะโลกนี้มันอยู่ห่างๆออกไปเรื่อยๆดูออกไหมตัวนี้ ออกค่ะแต่เดิมเราจมอยู่กับโล ก, จ ม, ก, โล ก, กจมอยู่กับโลกก็จมอยู่กับทุกข์นั่นแหละนี่เราภาวนาใจมันมีกำลังนะศีล ส, สมาธิปัญญาของเราดีขึ้นอีกขึ้นใจมันก็มีพลังส่งตัวขึ้นมามันหลุดออกจากโลกนะห่างโลกออกมาเห็นไหมโลกนี้ไร้สาระดออกไหมดูออค่ะนี่แหละคือปัญญา เรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ได้สักอย่างเดียวเลยก็ทั่งร่างกายนี้จิตใจนี้ของหนูดีจิตดีนะจิตหนูมีปัญญานะจิตหนูเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายนี้ยึดไว้ไม่ได้ดีก็คือถ้าเป็นร่างกายอะคะ่ะค่อนข้างจะแยกได้ว่า อ, อย่างถ้าเจอทุกเขเวทนาก็จะแยกออกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิตอะคะ่ะ บางครั้งมันเหมือนมันข้าควนนะคะมันไม่ยอมปล่อยอะคะ่ะอย่ายอมอย่าปล่อยให้ใจข้าคขวนนี่ใส่ข้าคขวนเนี้ยทิ้งมั น, ปนไปเลยมันเป็นยังไงดูมันเข้าไปตรงๆเลยอย่ามวัวแต่ข้าคขวนยิ่งข้าคขวนจะยิ่งอ่อนแองั้นอย่างพวกเราเวลา เ, ลาเจอหลวงพ่อแล้วข้าคขวนโอดวรวนเรียกร้องความเห็นใจจะไม่ได้รับเลยจะถูกด่า เรื่องอะไรจะต้องข้าครวนมันเป็นอาการของคนอ่อนแอหรอกฝึกใจให้เข้มแข็งคนออนแอข้ามพบข้ามชาติไม่ได้ข้ามโลกไม่ได้ต้องเข้มแข็งเพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอยา่าข้าครวนดูเข้าไปตรงๆเลยใจอยาก่้าครวนรู้ว่าอยากข้าครวนอย่นนี้นะใจจะค่อยแข็งแรงขึ้นถ้ายิ่งข้าครวนมันจะยิ่งอ่อนแอเราจะขี้อ้อนมากขึ้นเรื่อยๆพวกขี้อ้อนจะยิ่งขี้อ้อนนะ บางคนนั้งเจดแปดสิบแล้วหนูยังง้อนหนูเอ้ยหนูหนูนานไปหน่อยนะหนูท้อใจอนะไรฟังแล้วเบื่อต้องสู้หนูเห็นจิตยังไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่ว่าเห็นกายนี้ชำนาญมากละกายนี้ไม่ใช่เราชัดเจนนะดูไปเรื่อยความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับ ความรู้สึกทุกชนิดบังคับไม่ได้ไปดูตรงนี้บ่อยๆอย้อาวคนต่อไปขอบคุณค่ะยังไม่สักการค่ะหลวงพ่อของหนูยังดูแล้วไม่ค่อยออกค่ะ อ, อย่าเพิ่งอย<ห>่าท้อใจก็แล้วกันค่ะแล้วทําไมรู้ว่าดูไม่ออกมันฟูงฟ้งๆอะค่ะแล้วทาไมรู้ว่าฟูง้ง<ม>รู้ว่าฟู้งอะ่ะก็คือดูออกที่มัน ไม่ชัดนะคะเห็นไหจะให้ขาดอีกแล้วเห็นไหมอยากต่อ <c ười> จิตฟงซ่านให้รู้ว่าฟุงซ่านดูออกหลวพ่าไม่เคยเจอคนที่ดูสภาวะไม่เป็นดูเป็นทุกคนอะแต่คิดว่าการดูจริงๆการปฏิบัติจริงต้องดูอะไรที่พิสดารงงหนูงงไปหมดแล้วหนูรู้ไหมว่างงหนูงง บอกแหมมึงนะมึงเหมือนยิ่งว่าบัวใต้น้ำอีกมันอยู่บัวใต้ตมใต้โครนเลยนั้นะน่ะ <c oughs> ก็งง ก, ก็งงอ่ะสิง <c oughs> งก็คือสภาวะงงรู้ว่างงไปสิ <c oughs> งงก็เกิดดับได้ใช่ไหมงั้น <c oughs> ไม่มีหรอกไอคนที่ดูสภาวะไม่เป็นน่ะวันนี้หนูดูไม่รู้เรื่องเลยหลวพ่อจะถามแล้วทําไมหนูรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องก <c oughs> ็งใจมันฟุ้งอ่ะ <c oughs> แล้วทําไมรู้ว่าใจฟุ้งอ่ะ <c oughs> เจอไม้นี้เขาเสร็จทุกรายเลยไม่กล้าบอกว่าดูไม่เป็นละดูเป็นแต่ไม่ดูทงหากคิดว่าสิ่งที่ต้องดูเนี่ยคืออะไรที่พิสดารที่จริงธรรมดาที่สุดบอกแล้วนะคำว่าธรรมดาวันนี้พูดหลายรอบแนละ้วคำว่าธรรมดาจริงๆมันธรรมดาที่สุดเลยเราต่างหากที่ผิดธรรมดาด้วยตัณหาด้วยความอยากของเราเอาคนนี้คนเนี้ยโดยนี้ใสช่างพูดนะ งั้นเวลาส่งกันบ้านไม่ให้พูดเยอะอ้าว่ามานมัสการค่ะหลวงพอ่อรู้สึกไหมว่าแกล้งทําครึมรู้สึกค่ะเออต้องอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยพอรู้ว่าแกล้งทําครึมถ้าในจิตมันหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมค่ะค่ะ <c oughs> ต่อไปนี้ไม่ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้มันเฉยๆอย่างเนี้ยรู้เหมือนว่ามันแกล้งทําครึมเนี้ยรู้อย่างเนี้ยมันจะหลุดออกมาเลยนะ ไม่มีคำถามแล้วละไปดูเอาคำคถามมากกว่านี้คืออยากแล้วละ่ะนะต่อไปไอ้หนุ่มนี่ต้องดักคอไว้ก่อนปัญญานำไปนะฟุ้งซ่านมากไปครับคิดเยอะไปครับการปฏิบัติอย่าคิดเอาให้รู้สึกเอาครับเะนัะ้นใจเราเนี่ยปัญญามันล้ำหน้านนชอบคิดพิจารณามากไปเราจะถามอะไรครับก็ <c oughs> จะรายงานที่ผ่านมาครับเคยลงกันบ้านของพ่อครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณห้าถึงหกปีที่แล้วครับก็รักษาจิตห้ามั่นคงครับตั้ง่วันนั้นมาครับด้วยชีวิตครับแล้วก็เจริญสติสมาธิมาด้วยครับก็จะมาขอคำแนะนาจากหลวงพ่อว่าให้ดูใจที่กระยิ่มใจที่มันกระยิมมีดีเยอะเลยเนี่ยครับดูออกไหมเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับนั่นแหละหันดูไปตัวนั้นเป็นจุรออนของเรานะ นี่หลวงพ่อสอนแบบลูกศิษย์เก่านะสอนแบบเข้มข้นตรงรไปตรงมาไปดูเราอย่ให้ความคิดนําไปดูของจริงที่กําลังเป็นอย่างใจเรารู้สึกมันกระยิ่มใจมันลําพองเนี่ยเราภาวนามาดีถือศีลมาดีแล้วหลวงพ่อต้องชื่นชมแน่เลยอย่างนี้นะรหรือเราเห็นสภาวะเยอะแยะเลยหลวงพ่อจะต้องชมเนี่ยเราเห็นใจที่กระยิ่ม ไอ้ชมนะชมหรอกดีขึ้นะแต่เราก็เรียนเนี่ยอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับนะรู้อย่างนี้นะอะไรเกิดขึ้นรู้ลงไปอะไรเกิดขึ้นรู้ลงไปอย่างนี้แล้วเราจะเจริญยิ่งกว่านี้อีกครับที่ฝึกมาใช้ได้นะครับขอบพระคุณครับทำไมหลวงพ่อไม่ให้พูดถ้าพูดแล้วใจจะฟุ้งซ่านนึกออกไหมนะนั้นเราอย่าไปหลงกลกิเลส มันจะหล่กให้เราฟุง้งรู้เข้าไปรู้เข้าไปหมดแล้วพวกที่ติดพันธะสัญญาพวกอยู่วัดใครอยากกลับบ้านก็เชิญนะไม่ห้ามใครจำเป็นจะต้องถามหรือจะต้องเล่า เขาภาวนามาครึ่งปีแล้วตอนนั่งสมาธิรู้สึกตัวใหญ่และหนักออจิตนิดเดียวจิตวิ่งไปวิ่งมาในร่างกายแล้วเวลาภาวนาทุกครั้งที่รู้สึกตัวกลางอ ก, อกรู้สึกร้อนและรู้สึกไม่สบายเขาสงสัยว่าเขาภาวนาถูกต้องไมมและขอคำแนะ น, นำด้วยค่ะภาวนาแล้วเกิดอะไร black black. แปลกๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นนิมิตนะเป็นนิมิตขึ้นมาให้เราแค่รู้แค่เห็น อย่าไปยินดียินร้ายกับมันนะแต่บางทีภาวนามันก็เกิดปิติเราดูไปเรื่อยๆที่ตัวใหญ่นะตัวเป็นภูเขาเลยก็มีที่ตัวโยกตัวโคลงนะตัวเบาตัวหนักอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของปิตินะเป็นอาการที่ใจมันวือหวาขึ้นมาให้เรารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็น รู้ไปเรื่อยๆอย่างใจมันร้อนขึ้นมาที่กลางอกรู้ว่าร้อนใจไม่อยากให้ร้อนรู้ว่าไม่อยากเนี่ยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไอ้ที่กลางอกไม่ใช่จิตเราหรอกจิตเป็นคนรู้จิตมันไปรู้กลางอกนี่ร้อนขึ้นมาก็เห็นว่ามันร้อนที่จริงแล้วเวลากิเลสเกิดร้อนทุกตัวเลยราคะเกิดก็ร้อนโทสะเกิดก็ร้อนโมหะเกิดก็ร้อน พระพุทธเจ้าเลยบอกมีไฟอยู่สามกองที่เผาเราคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี้เราไปเห็นไฟตัวนี้เข้ารู้สึกร้อนนะใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ไปร้อนขึ้มารู้ว่าร้อนใจไม่เป็นกลางรู้วาไม่เป็นกลางดูเข้าไปชินใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างจะร้อนหรือจะเย็นก็เท่าเทียมกันจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านก็เท่าเทีเทยมกัน จะตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะถ้าใจเรามันตัวใหญ่ขึ้นมาใจเราสงสัยทำไมมันใหญ่งนี้ทำไมมันหนักงนี้รู้ว่ากำลังสงสัยเนี่ยดูเข้ามาให้ถึงใจนิมิตทั้งหลายปีตีทั้งหลายมันจะดับไปเองนะดูเข้ามาที่ใจเราว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาง่ายๆนะไปดูเอามาจากประเทศไหนคนเนี้ยประเทศจีนค่ะ หน้าตาคนจีนคนไทยดูไม่ออกเหมือนกันมันเวลามันร้อนที่กลางอกรู้ว่าร้อนใจสงสัยว่าทำไมร้อนรู้ว่าสงสัยเนี่ยย้อนเข้ามารู้ทันใจของตัวเองไปคนไหนยืนให้ดูหน่อย อ, อ๋อว่าไปไม่ต้อ ง, งยืนแล้วนั่งรู้จักอยู่พรุ่งนี้ก็จะกลับประเทศแล้วขอคำแนะนาจากหลวงพ่อด้วยค่ะ หาทางทำวีซ่ามาฟังต่อเนี่ยคำแนะนำนะส่วนการปฏิบัตินั้นพอรู้หลักแล้วละคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนอ่านนิยายเรื่องหนึ่งอ่านใจตัวเองไปใจเราเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเราจะไปปรุงแต่งว่าจะต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดไปอ่านใจตัวเองเรื่อยๆทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิรู้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแบ่งเวลาไว้ทาทุกวันนะแล้วในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีเวลาว่างๆก็มาหายใจไปร่างกายหายใจใจเป็นคนดู ทำได้บ่อยๆชั่วโมงหนึ่งทำสักหานาทีก็ยังดีเก็บไปเรื่อยๆจิตเราจะมีพลังแล้วเราก็จะได้เห็นจิตใจมันทำงานได้ชัดเจนถ้าจิตไม่มีกำลังนะจะดูจิตทำงานได้ไม่ชัดหรอกไปทาต่อไปเขาต้องเจอสภาวะที่ไม่ชอบกำลังจะเกิดขึ้นเขาถามว่าเขาควรจะหลบหลบหรือรเผชิญหน้า และอันนี้เป็นการทดสอบของมันหรือไม่เมื่อทดสอบใจเรานั่นแหละว่าที่เราภาวนามาใช้ได้ไหมถ้าเราภาวนาได้ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอะไรเราก็อยู่ได้อยู่อย่างสงบสุขได้นั่นะอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ชีวิตมันต้องมีปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราจัดการกับจิตใจของเราได้ดีใจเราก็ไม่ทุก ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้มีปัญหาใจเรามีความอยากเกิดขึ้นมันก็จะมีความทุกข์นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้เราปฏิบัติอย่าไปกลัวว่าเนี่ยปัญหากำลังจะมาแล้วจะสู้ได้ไม่สู้สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยให้นั้นให้เห็นเลยว่าใจกงังวลดูปัจจุบันของใจไปเรื่อยๆแล้วไม่แพ้อะไรหรอก ถ้าไม่แพ้กิเลสสักอย่างเดียวก็ไม่แพ้อย่างอื่นแล้วมีไม่แพ้กุศลกุศลจริงไม่มีใครแพ้เนี่ยแพ้กิเลสคือแม่ชีท่านถามว่าพระอาราหารันต์ที่ที่จากโลกนี้ไปแล้วอะค่ะเราสามารถที่จะจะเห็นท่านอีกไหมคะไม่เห็นอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้เองเลยนะบอกว่าตถาคตเนี่ย ถ้ายังมีขันอยู่เนี่ยมนุษย์และเทวดายังมองเห็นแต่เมื่อสิ้นขันไปแล้วนะมนุษย์และเทวดาจะไม่เห็นอีกละการนิพพานไม่ใช่การหายสาับสูญนิพพานไม่ใช่การดำรงอยูนะ่การดำรงอยู่ฐาวบออย่างบางคนมองนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ในโลกนิพพาน อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตสตาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งบอกว่าพระนิพพานแล้วก็ศูนย์ไปเลยเพรวกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุจเฉททิฏฐนะิมันมีสภาวะซึ่งพ้นจากความสุดโต่งสองข้างนี้เมื่อไหร่ใจบรรลุพระอรหันต์จิตของเราจะแปลสภาพเป็นธรรมเป็นธรรมธาตนะุเป็นธาตุนะารู้ ที่บริสุทธิ์จิตดวงนี้มันกระจายตัวกลืนเข้าในจักรวาลกลืนเข้ากับธรรมชาติไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะเวลาขันแตกดับจิตไปไหนจิตไม่ได้ไปไหนจิตทรงพระนิพพานอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วสูญหายไปไหมไม่ได้สูญหาย อมตะธาตุอมตะธรรมมีอยู่แต่มันไม่ใช่มีอย่างที่เราวาดภาพกันเราวาดภาพมันเป็นขันห้าทั้งหมดนะนะกลายเป็นขันไม่ขันหนึ่งก็ขันสี่ไม่ขันสี่ก็ขันห้ามีอยู่แค่นั้นเองว่าดอนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้าไปนั่งเข้าแถวกันอยู่โถหน้าสงสารนาะตอนมีชีวิตอยู่อย่างเดินได้พออนิพพานแล้วต้องไปนั่งเข้าแถวกันหมดเลยกระดูกดิกไม่ได้ น่าสงสารเอาจิตของปุถุชนไปวาดภาพภาพรนิพพานมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาถามแค่เนี้ยเหรอถามแค่นี้ค่ะหาประโยชน์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือกิเลสเรามีไหมมีกิเลสอยู่รู้ทันมีประโยชน์มากนะเอ ส่วนวันหนึ่งใจเราหมดกิเลสแล้วเราจะเข้าใจเองว่านิพพานแล้วศูนย์หรือนิพพานเรายังมีอยู่นะจะไปเห็นด้วยตัวเองนในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้เห็นแล้วเราจะไม่ต้องถามใครเพราะคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันจะสื่อธรรมะไม่ได้คำพูดเนี่ยไปไม่ถึงธรรมะของจริงอ่ะมันจะไปตกอยู่ไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาไม่ตึงไปก็หย่อนไป ไม่ไม่คงอยู่น่รันดอนก็สาบศูญจะตกอยู่ในความเป็นคู่ตลอดต้องเห็นเอาจริงๆนะ ค, ะค่อยๆดูกิเลสอะไรเกิดเคยรู้กิเลสอะไรเกิดเคยรู้เขาบอกว่าเขาปฏิบัติมาสิบปีแล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าที่เขาปฏิบัติมา น, นี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะสิปีก็ช่างมันเถอะแต่ปีนี้ดีขึ้น เร่มภาวนาเป็นแล้วล่วนะสังเกตไหมขันมันแยกได้ใจมันรู้สึกขึ้นมานะมันก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันนะเพราะฉะนั้นในสิบปีนั้นก็ทิ้งมันไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้ได้แล้วล่ะดูกายทํางานไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันทํางานไปจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ มาจากประเทศอะไ ร, ระเจษไทย น, นะน้ำพระส ก, การครับหลวงพออ่อผมทำในรูปแบบเราเพ่งนะครับอืมธรรมดาหัดใหม่เพ่งทุกคนเลยห้ามไม่ได้หรอกโอ้อครับแล้วที่ฝึกฝึกมานี่พอจะถูกต้องมั้งไหมครับพอจะถูกต้องดีกว่าไม่ฝึก <laughs> สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วนั่นแหละเราเริ่มเป็นแล้วนะต่อไปใจเราจะเป็นคนดูในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าอะไรปรากฏขึ้นอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจเราก็เป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นคนดู น, ะนกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูนะอะไ ร, ะไรใจก็เป็นคนดู ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าใจเป็นคนดูนั่นแหละไปฝึกบ่อยๆนะอย่าให้ใจเป็นผู้แสดงนะให้ใจเป็นผู้ดูเท่านั้นเป็นผู้แสดงใจก็จะเข้าไปแทรกแซงต้องอย่างโน้นต้องอย่าง น, น, องอางนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้อย่างนั้นใจจะเป็นผู้แสดงนะให้ใจเป็นคนดูไว้ไปทำต่อครับขอบคุณครับ ใจขนาดเนี้ยสมาธิมันไม่มีมันออกนอกรู้สึกไหมใจไปค้างอยู่ข้างนอกทําให้ดูนะทํานะท่าทางให้ดูเนี้ยใจมันไปค้างครัไม่ออกเปล่า <laughs> เราเรียกว่าทําจิตเหมือนตะเคีจระเข้อ่ะพ <laughs> าดอย่างนี้นมิ่ง <laughs> ครับอา้าวนวัสการขลุ่มเขาส่งกันบ้านครั้งแรกครับขอคําแนะนําครับเห็นใจที่ฟุ้งซ่านไหมตอนดูออกไหมเห็น เ, าเบาๆครับอืมฟุ้งเบาๆก็รู้ไปนะฟุ้งแรงๆก็รู้ไปครับใจเรากระสับกระส่ายถูกออกไหมถูกออกเออนั่นแหะการปฏิบัติใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็แค่นี้เองมันจะมีอะไรมากมาย ดูไปจนปัญญามันเกิดนะจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกจิตนี้มีแต่ของไม่เที่ยงจิตนี้มีแต่บังคับไม่ได้โลกนี้เหมือนความฝันค่อยๆเรียนไปดูจากของจริงรู้ทันใจไปพื้นฐานของจิตฟุ้งซ่านเก่งนะเพราะงั้นควรจะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้ บริกรรมเล่นๆไปพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบก็บริกรรมอย่างอื่นเคยลองพุทโธครับอะไรนะลองพุทโธแล้วเหมือนจิตม่าค่อยไม่ไม่มั่นใจไม่ชอบเหมือนมันเพ่งๆครับไม่มั่นใจหันใหม่เพ่งทุกคนแหละเพ่งเรารู้วเพ่งแล้วมัค่อยๆคลายออกไม่ต้องแก้หรอกค่อยๆรู้ว่ามันกําลังเพ่งอยู่การเพ่งก็ไม่เที่ยงดูมันในมุมนี้นะมันไม่เที่ยงหรอกเพ่ง ดูซิมีจะเที่ยงไม่เที่ยงที่เพ่งดูไปเรื่อยๆดูสบายๆเดี๋ยวมันก็หมดแรงเพ่งเองเลยพุทโธคือท่องตลอดไหมครับตลอดที่ทําที่ดูด้วยใช่ไหมใช่พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปพุทโธพุทโธใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธใจสงบรู้ว่าสงบพุทโธใจเป็นสุครู้ว่าเป็นสุขพุทโธใจเป็นทุกรู้ว่าเป็นทุกข์ เห็นไหมตัวที่เรารู้คือใจไม่ใช่ตัวพุโทโธการที่เราต้องมีกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะเพื่อเราจะได้เห็นจิตมันเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานเนะี่ยเราจะเห็นชัดเห็นได้เร็วถ้าเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็กกราวให้จิตอยู่นะเวลาจิตมันเคลื่อนเราจะไม่เห็นเหมือนอย่างถ้าในโลกในจักรวาลเนี้ยบนท้องฟ้าไม่มีดาว ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีก้อนเมฆไม่มีอะไรเลยสักอย่างดาวที่กําลังเคลื่อนอยู่เนี่ยเรามองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันเคลื่อนเลยที่เราเห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนไปในฟ้าได้นะเพราะฉากหลังของมันเปลี่ยนเราเห็นในวันนี้พระจันทร์มันอยู่กับดาวดวงนี้วันนี้ไปอยู่กับดาวอีกดวงมันย้ายที่หรือพระอาทิตย์เนี่ยมันเปลี่ยนมันมีฉากหลังมารองรับมันมีขอบฟ้าทางตะวันออกมีขอบฟ้าทางตะวันตก เราเห็นขอบฟ้าพระอาทิตย์อยู่ทางนี้เดี๋ยวพระอาทิตย์มาอยู่อีกขอบหนึ่งเราเห็นว่าพระอาทิตย์นั้นไม่คงที่เปลี่ยนทิศทางได้เพราะอะไรเพราะมันมีฉากหลังให้เราดูถ้าเราไม่มีฉากหลังนะั้นเราจะจับทิศทางไม่ได้เหมือนอย่างเราอยู่ในทะเลหลงอยู่กลางทะเลไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่มีแสงแดดไม่มีดาวมีแต่เมฆทึบๆมองอะไรไม่เห็นเลยอยู่กลางทะเล เ, เราไม่รู้ว่าเราเคลื่อนไปทางไหน น้ำกำลังพาเราไปทางไหนเราไม่รู้เราก็นึกว่าเราอยู่เฉยๆที่แท้เราเคลื่อนแต่เราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรามีพุทธโธนะเพื่อว่าจิตเคลื่อนแล้วเราจะได้เห็นง่ายแต่ไม่ใช่พุทธโธเพื่อไม่ให้จิตเคลื่อนอย่างนั้นภาวนาไม่เป็น อ, อ๋อครับขอคมาครับรมสัส ก, การเจ้าค่ะลูกมาจากจังหวัดเวียรมค่ะฟังยูทูบ เอามาออกห่างนิดนึงแล้วก็ทำในรูปแบบทุกวันเจ้าค่ะเห็นตัวเองร้ายแล้วก็เวลาโกรธก็จะเป็นก้อนกลมๆที่กลางอเอ อ, อ, อภาวนาเก่งพอเห็นบ่อยๆแล้วก็จะหายไปเจ้าค่ะดูไปเรื่อยไม่ใช่ดูให้หายหรอกนะมันมีก็รู้มันไม่มีก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจแน่นก็รู้ใจเบาก็รู้ดูไปเรื่อยดี บุรีร<ด>ัมย์หลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์นะก่อนหลวงปูส่สวัสดิ์อยู่ที่บุรีรัมย์กลับหลวงพ่อค่ะเห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเห็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะหลวงพ่อนั่นแหละตัวจริงร้ายกว่าที่คิดไหมร้ายมากเลยค่ะนะั่นแหละตัวจริงหนูดีขึ้นนะจิตหนูดีขึ้นเยอะเลย รู้สึกไหมจิตใจขณะนี้กัแต่ก่อนเ น, น, นี่มันต่างกันจิตตอนเนี้ยมันมันตื่นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าขณะเนี้ยจิตมีปิติรู้ไหมไม่ค่อยออกค่ะหลวงพ่อเนี่ยอาการที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้แล้วมันย้อมใจเรานิดๆที่มันดีๆรู้สึกว่าดีๆนั่นแหละนั่นแหละจิตมันปลื้มอยู่กับปิตินั่นนะแหละนะอันนี้มันถูกไหมคะหลวงพ่อไม่มีคําว่าถูกหรือคาว่าผิดมีแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น สังเกตไหมอาการที่รู้สึกแปลกๆตรงเนี้ยเราเรียกไม่ถูกอาการที่แปลกๆตรงนี้ยมันก็ไม่คงที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีตอนนี้มันมีเห็นไหมแล้วอีกสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปอย่างตอนเนี้มันหายไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเวลาดูๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้ ม, มันมีปิติมันเปลืม้มแลเราเรียกไม่ถูก ก็ช่างมันไม่ชื่อไม่สําคัญเรารู้สึกเป็นคนดีมากขึ้นนิดนึงอะเมื่อกี้ถูกไหมคะลหลวงพ่อ <c oughs> เป็นความหลงผิดนะมันจะมาดีอะไรกันฉับพลัน <c oughs> <ๆ> <c oughs> แช่แค่ว่าขณะนั้นจิตมันเป็นกุศลจิตมันเข้าใจธรรมะขึ้นมา <energized> มันอิ่มเอิบเบิกบานเป็นกุศลในขณะ น, นี้ดีใช่ไหมต่อไปมันก็เสื่อม mm. มันก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ว่าดีหรือชั่ว หลวงพ่อถึงบอกว่าเราไม่ได้มุ่งพอนาดีหรอกนะเพราะว่าดีมันไม่เที่ยงแต่เรามุ่งพอน า, าหาจิตให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าจิตเห็นตรงนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปดูเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีหรอกพอดีไม่เที่ยงขอบคุณค่ะจะถามว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือผิดครับ ยังชอบเพลงไปนะปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงแล้วมีสติตามรู้ไปนะของพื้นเดิมที่ชอบฝึกฝึกบังคับใจให้นิ่งนะอย่าไปฝึกบังคับใจให้นิ่งมันเหนื่อยเราบังคับไว้มันก็บังคับได้ไม่ตลอดถึงวันหนึ่งพอหมดแรงบังคับเนี่ยใจที่ถูกบังคับมันจะดิ้นแรงนะเรียนรู้จิตใจตัวเองนะแล้วเรียนรู้ร่างกายด้วย ร่างกายนี้ เ, เป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของดูอย่างนี้เรื่อยๆ <c oughs> นะแล้วจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะเดินจงกรมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงค่ ะ, คะดีดีไม่ทราบ ว, ว่าจิตไม่เคยตั้งมั่นเท่าไหร่อะคะ่ะ ไม่ตั้งมัน่นรู้ไม่ตั้งมัน่นรู้อย่างที่เป็นนะไม่ใช่เดินเอาดีไม่ใช่เดินเอาสุขเดินเอาสงบแต่เดินรู้สึกตัวบางครั้งก็ไม่เคยรู้สึกตัวเท่าไหร่เออเขาพยายามให้มันรู้สึกไว้ล้ววิลหาหลธรรมอะคะ่ะอะไรไม่หารธรรมอะคะ่ะก็นั่นแหละเดินไปเคลื่อนไหวร่างกายไปจิต <c oughs> เป็นคนดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นน่ะ นะไม่ใช่เราเดินนะไม่ใช่เราเดินเห็นอันนี้ทําไม่เป็นนะคะเห็นร่างกายมันเดินรู้สึกไหมร่างกายมันเดินรู้สึกค่ะนั่นแหละพยายามดูนะพยายามรู้สึกนะร่างกายมันเดินนะคะแต่จิตฟุ้งซ่านมากเลยค่ะจริง <c oughs> ที่จริงถ้าฟุ้งซ่านไปเดินเนี่ย่างสู้ไม่ไหวบางทีบริกรรมไปด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะบริกรรมไปเรื่อยเรื่อยค่ะนะ จะจะดีกว่าไปเดินจงกรมแล้วก็ใจหนีไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะพูดโทรไว้หมดแล้วลวนะเชิญกลับบ้านนิมนต์ท่านกัน